กราบบูชาพระรัตนตรยัย <c oughs> กราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์ทุกท่านและก็ขอกราบนมัส ก, การพระเถรานุติระเพื่อนสาธมิกที่อยู่ณที่นี้กราเจริญพรแม่ชี แล้วก็คณะอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ์มหาสรารคามทุกคน <c oughs> เ, เมื่อสักครูนะ่ท่านอาจารย์สุรินนะก็ได้แนะนำแนวทางในการที่เราจะมีชีวิตนะอยู่ในโลกนะโดยอาศัยศีลนะเป็นตัวนำนะซึ่งศีลในที่นี้ นะก็เป็นศีลที่พวกเรารู้จักกันดนะีก็คือสินห้านั่นเองแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำนะก็คืออบยมุกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาไม่น้อยนะถ้าเราเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมะมัธยมจนถึงอุดมนะก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควร แต่ก็น่าแปลกใจนะว่าทั้งๆ ท, ที่เรารู้นะแต่บางทีมันห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมรู้นะไอ้ปนันฟุตบอลเนี่ยไม่เคยดีอะ่ะแต่มันน่าลุ้นนะมันลุ้นสเปนริซเตารลี่จะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อคืนเนี่ยนะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้แต่ว่าใจเราเนี่ยห้ามไม่ได้ไซอที่ใจเราห้ามไม่ได้เพราะว่า เรามีสติไม่มากพอนะก็คือความรู้สึกตัวของเรานั้นไม่มากพอที่จะไปหักห้ามใจนะเพราะฉะนั้นศีลก็ดีธรรมะอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเรารู้กันหมดแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถจะทำได้นะเพราะว่าเราขาดสตินั่นเองสติที่ว่านี้ไม่ใช่สติสามัญเป็นสติ ปฐานนะ่ะที่ท่านจันสุรินได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะเป็นสติปฐานที่เกิดจากการพัฒนานะหรือบางทีเราชอบเรียกกันว่าจเจริญเจริญน่นะะเจริญสติหรือถ้าภาษาพระเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ใช่การบริกรรมอธิษฐานว่าขอให้ได้อย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้แต่คําว่าภาวนาเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงพัฒนา เราพัฒนาสติสามัญคือความรู้สึกตัวที่ที่เรามีอยู่แล้วเราใช้อยู่เนี่ยให้มันเป็นสติที่มันทันกับความคิดที่มันทันกับอารมณ์นะที่มันทันกับความรู้สึกซึ่งสติตรงนี้เนี่ยเป็นสติที่ที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นอะไรต่างๆก็ตามที่เรารู้เนี่ยว่ามันไม่ดี เราห้ามใจไม่ได้เพราะสติของเรานั้นมันยังไม่ชัดมันยังไม่คมมันยังไม่ไวพอถ้าอย่างนั้นเราจะทำได้อย่างไรเราก็มาฝึกสตินี่เองการที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานนะก็คือมาพัฒนาสติที่มีอยู่ให้เป็นสติที่ฉับไวขึ้นจริงๆสติไม่ได้มากขึ้นนะ สติฉับไวขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดโดยเฉพาะความนึกคิดเนี่ยเป็นตัวสร้างเรื่องเป็นตัวปรุงแต่งต่างๆนานาให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีใจมากเกินไปเสียใจมากเกินไปชีวิต ก็เลยรุ่มๆุมดันดอนนะบางทีก็ชีวิตละหกละเหิร์นอะันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นการมาป่าสุกโตเนี่ยนะมีสิ่งเนี้ยที่จะให้เรามาเรียนรู้นะก็คือการพัฒนาสตินะพัฒนาสติสามัญให้เป็นสติปฐานเป็นสติหรือเป็นความรู้สึกตัวที่รู้เท่าทัน อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดสติปัฏฐานนี้ตามพระสูตรในพระไตรปิฎกนะก็พูดไว้มีอยู่สข้อนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่วัดคงได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่านักศึกษาหรือคณาจารย์ที่เพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำตรงนี้ นะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรนะ เ, เมื่อตอนบ่ายก็ได้แนะนำไปแล้วนะก็คือการที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเนื่องจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเราจะเข้าไปดูมันเนี่ยเราไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเอาตาเนื้อไปดูก็ไม่ได้ มันก็เลยต้องอาศัยตาที่สาตาที่สมก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนาตาที่สามหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษถามวาตาวิเศษนะมีไหมมีทุกคนนะทุกคนมีแต่ตอนนี้มันไม่ตื่นมันยังหลับอยู่เพราะนั้นเรารู้ความโกรธไม่ดีอบายามุขอะไรไม่ดีเราห้ามใจไม่ได้เพราะเรายังมืดอยู่ตาอยังไม่ตื่นยังไม่เห็นโทษจริงๆ นะมันก็ยังหลงอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะบางทีเราก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นชีวิตที่อยู่ในโลกนะมีทุกทุกสุขสุขเบื่อเบือ่อเซ็งเซ้งนะสิ่งเหล่านี้่เป็นสิ่งที่เราทําไปตามความเคยชินเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยความทุกข์ความสุขเนี่ยแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาโดยเอาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกมาแก้ไข เราแก้ไขเรื่องจิตโดยใช้วัตถุซึ่งมันก็ไม่ตรงนะตรงนี้มันก็เลยแก้ไขไม่จบไม่สิ้น ท, ทัทีแต่เมื่อได้กระตามที่เรารู้ว่าปัญหาจริงๆมันเกิดในใจเรากลับมาดูที่ใจเราโดยอาศัยตาที่3คือความรู้สึกตัวนี่แหละนะเราก็เลยต้องมาพัฒนามาทำความรู้สึกตัว ต, วตรงนี้นะมาพัฒนาด้วยการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆในยุคปัจจุบันนี้ นะเพียงแต่ว่าคนที่ไม่คุ้นเคยก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้แล้วมันจะเป็นไปได้เหรอนะปกติเราจะฝึกกันก็จะต้องนั่งหลับตาให้มันนิ่งๆสงบๆนะเชื่อว่าสงบแล้วสติมันจะตื่นตื่นจริงถ้าเราไม่นอนหลับสัก่อนไม่ยัง ต, ตอนเนี้เพื่อนเราคนนึงก็หลับไปแล้วนะตกผวังไปแล้วนะปลุปกเพื่อนหน่อยก็ดีนะนะตอนนีนะ้อันนี้ก็เรียกว่า หลับไหลนะหลับไหลไม่ยอมตื่นนะนี่คือคือลักษณะที่สติตกภวังความรู้สึกตัวตกภวังไปนะคนที่นั่งหลับตาแล้วฝึกเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะร้อยละเก้าสิบเนี่ยจะจะหลับง่ายแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราลืมตาเนี่ยโอกาสที่จะหลับเนี่ยมันมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่หลับนะคนทำแบบนี้ก็หลับเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมันจะ ตื่นได้ดีกว่านั่งหลับตานะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะสีหวันที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเราจะฝึกเรื่องนี้เรื่องเดียวและถ้าเราทำได้สติเนี่ยจะทำให้เกิดคุณธรรมต่างๆศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดจากสตินะตรงนี้เป็นบอกเกิดนะเปรียบเทียบเขาบอกว่า สติเนี่ยเหมือนรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายนะสติเนี่ยก็เป็นบอกเกิดของศีลสมาธิปัญญาหรือบางครั้งเนี่ยได้ยินหลวงพ่อคงเกียนพูดว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมรรคในองค์ขึ้นมาด้วยนะเพียงแค่ทำสติทจริสติเรื่องเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมามากมายเราเคยเรียนธรรมะเนี่ยนะไปอ่านหนังสือเนี่ยนะโพธิปัจจะธรรม38เนี่ยโอ้โหก็จะ จะสรได้จะต้องมีธรรมะสามสิบแปข้อเนี่ยมันอ่านแล้วก็ท้อใจเลยนะแต่พอเรามาฝึกอย่างเนี้ยทาอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดหลายอย่างเกิดธรรมะหลายอย่างขึ้นมาซึ่งมันโอ้โหมันมาสัจธรรมทีเดียวถ้าเราอยากจะพิสูจน์หวันนี้เราลองพิสูจน์เรื่องนี้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมันจะเกิดนะอาจจะอาศัยคําพูดหลวงพ่อเทียนนิดนึงนะว่า พระอรหันต์เราก็ไม่ต้องการก็ได้ขอให้เราทุกน้อยลงก็พอนะให้มันเบาใจลงนะบางคนแม้หวังเลยนะมาป่าสุกุตโต้ต้องเป็นพระอรหันตะ์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมันสูงเกินไปนะอยัดเป็นเลยนะเอาเอาว่าเราทุกน้อยลงก็เอาละนะเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นกลับไปแล้วหัวโล่งขึ้นนะคนที่หัวหนักก็หัวเบาขึ้นมีสติฉับไวพร้อมที่จะใช้กับการกับงาน พร้อมที่จะใช้กับการเรียนสามารถที่จะปรับจิตปรับใจของเร า, าใหออ้อยู่ในสภาพปกติได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการมาฝึกสติก็คือให้เรากลับคืนไปสู่ความเป็นปกติของใจซึ่งมีอยู่แล้วทุกคนแต่ที่เราไม่สามารถสัมผัสได้เพราะว่ามันมีความคิดเข้ามาบังบ้างอารมณ์เข้ามาบังบ้างเหมือนกับพระทิตย์เนี่ยมันสว่างอยู่ตลอดเวลา แต่มันจะมืดเพราะมีมเมฆหมอกมาใจของเรามันก็สว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันมืดเพราะมันมีอารมณ์เข้ามาบางังการที่จะทำให้อารมณ์นั้นหายไปก็คือต้องมีสตินี่เองนะส่วนวิธีการจะทำกันอย่างไรนี่ก็ต้องค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆนะสำหรับสีหวันนี้สำหรับคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็คงจะรู้วิธีการฝึกอยู่แล้วนะก็ขอให้ได้ใช้ความเพียรพยายามกันต่อไป ในการที่จะพัฒนาหรือการเจริญสตินะแล้วก็ความมั่นใจความศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราพิสูจน์แล้วเกิดผลขึ้นมาจะเป็นความมั่นใจขึ้นมานะตรงนี้เราเราไม่สามารถที่จะ เ, เชื่อใครได้นะตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยจได้ไหมบทของพระธรรมเนี่ยมีอยู่4ี่หข้อเนี่ยนะก็มีอยู่บอกว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ เราต้องประสบด้วยตัวเราเองเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลานะธรรมะเนี่ยก็คืออันนี้นี่เองแต่แน่นอนเราต้องอาศัยความศรัทธาที่ได้ยินในฝั่งก่อนนะแล้วก็เรามีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะแล้วศรัทธาเนี้ยก็จะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติเกิดผลแล้วศรัทธามันจะยิ่งมั่นคงขึ้นนะเป็นศรัทธาที่ไม่คอนแคลนนะนี่เป็นสิ่งที่ เราน่าจะได้รับนะจากการมาผ่าสุกัสโตก็คิดว่าสิ่งที่ไล่พูดไปนะก็เป็นสเพเรละนะครับแล้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกัสโตแห่งนี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ข อ, อใหอ้ความภาคเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกัน พัฒนาสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนะให้บังเกิดผลนะก็คือมีความรู้สึกตัวที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องนะสามารถที่จะเอาชนะนะความไม่รูนะ้หรือความหลงไดนะ้แล้วก็สัมผัสกับความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้าทุกค น, นเทอญเจริญพร